ในขั้นกลางย่อมช่วยให้มนุษย์ประสบสำเร็จผลในงานต่างๆด้วยดียิ่งขึ้นและมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นมีความสุขที่ประนีตขึ้นในขั้นสูงสุดทําให้มนุษย์หลุดพ้นจากความเป็นทาตของความหลงผิดาธาตุของกิเลสธาตุของจิตใจตนเป็นอิสระกลับเป็นนาย ในขั้นนี้เรียกตามพุทธดำรัสว่าอยู่จบพรหมจรรย์ทาสิ่งที่ต้องทำเสร็จสิ้นแล้วหมดกิจที่จะต้องทำเพื่อให้ได้เป็นอย่างนี้อีกคือเป็นอิสระอีกที่หมดกิจก็เพราะได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องหมดแล้วเป็นอิสระแล้วมีทัศนค พ, พื้นฐานถูกต้องดีแล้วต่อจากนี้ไปกระบวนการรับรู้ต่างๆ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 ถ้าเทียบตามหลักโอวาทาปาติโมกขั้นต้นก็คงเป็นสัพพะปาปัสสะอาการะนังไม่ทําชั่วทั้งปวงขั้นกลางคงเป็นกุศลสุปสัมปทาทําความดีให้พรั่งพร้อมและขั้นสุดท้ายเป็นสจิตต์ป ร, ริโยธปะนังทําจิตใจให้บริสุทธ